ฟังเทศิจากเล็กน้นอยพอหอมปาหอมพอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมา สัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธาฆราวาจะยิวาโตจะสันตติยกตะนุตากาเลนะธรรมะสาวันนาอิตมังกระมุตมัง ดีดี <c oughs> นบัดนี้จะได้อธิบายในการทําความเคารพอ่อนน้อมเป็นมงคลของบุคคลผู้รู้จักในสิ่งที่เป็นมงคลให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตของตนน พ่อแม่ของพวกเราอย่าได้มินประมาณสองครูอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะสามคนเท่าที่วยัยอันสูงสีผู้ที่มีคุณอันดี อันนี้เพื่นววาขลบที่เราเห็นกันอยู่ไปมันไปมาตลอดไปหนึ่งที่เราไม่เห็นขลบพุทธะพุทธะขลวาตาขลมขลบพุทธเจ้าธรรมะขลวาตา คำคำสอนของพุทธเจ้าอย่าได้เกิดฐานมินประมาณสังฆล拉วาตาพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จมรรคผลไปนิพพานกันแล้วยังทิกิติชพพิติฏิคุณในการที่ทำวางไวแล้ว เป็นที่เคารพของบุคคลที่เกิดมาภายหลังบุคคลผู้มีนิสัยแล้วเคยทำความดีกันมาไม่มีการมินประมาทยินดีพอใจยุดตลอดไปอันนี้พลัว่าเป็นมงคล อตํ ม, มังกันมุตตํ ม, มังอันนั่นพูดว่ามงคลคาว่ามงคลก็คือความสุขคํขาว่ามงคลก็คือบุญกุศลคําว่ามงคลก็แปลว่าไม่มีอันตรายอันใดคําว่ามงคลบุคคลนั้นแปลว่าอยู่ในสมบัติอันดีหนึ่ง อยูดย่ด้วยบุญกุศลรักษาสองอยูดย่ด้วยศีลธรรมรักษาสามอยู่ด้วยความอ่อนอมมอน้อมอยู่เสมอสีด้วยการเทว ด, ดาทั้งหลายช่องสาธุการยินดีต่อบุคคลผู้ที่ทาความเคารพยึยอย่างนี้ตอลอดไป อันนี้พรนเรียกว่าบุคคลผู้ทิ่ปิณมงคลบุคคลผู้ได้รับผลอันความสุขในชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปบุคคลผู้ที่ฝึกผลอย่างนี้เขาจะได้รับผลในการเกิดมาพบพระพุทธเจ้า พระอาหารหันท์ทางหลายหรือประเจ้าพุธะเขาอ่อนน้อมยินดีอยู่เสมอตลอดไปอันนี้เปลว่าบุคคลผู้ทำความเคารพอ่ อ, อนน้อมต่อบัณฑิตผู้มิคุณสมบัติพันสูงในชีวิตของท่านณบัด น, นี้อาตมาจะได มันลายายเรื่องการลูกของเจ้าคนหนึ่งในเมืองพ ร, ราณสีเมื่อเกิดมาแล้วพ่อก็เชิอเชิญปรุหิตาจารย์มาหลายคนว่ า, า, าลูกต่อไปนี้จะเป็นมงคลเรื่องอย่างใดจะความเจริญอย่างใดต่อไปปรุหิตาจารย์ทั้งหลายก็เลย เปิดถูขมภีนาทีที่วันเกิดเวลาเกิดและในปีเกิดได้เดินเกิดโอ้ลูกของพระองค์เจ้านี้ใหญ่มาแล้วชอบอาบน้ำชอบเล่นน้ำอาบน้ำอยู่เสมอตลอดไปพระมหากษัตริย์จัดการขุด อ่างน้ำไว้ที่ประตูสี่ประตูสีอ่างอยู่ในกลางพระนคร อ, อ่างหนึ่งอยู่ในวงของพระราชวังอีกอ่างหนึ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วพ่อประราดทานให้เป็นอุปราชผู้ดูแลบ้านเมืองให้ความเจริญก้าวหน้า ให้ตั้งใจยินดีต่อพระมหากษัตัิย์ต่อไปวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษฤกของกษัตัิย์หน้าที่ต้องเสด็จรอบพนครดูไพ่ราษดรทางหลายเป็นประการอย่างใดลูกชายก็อกลาดตเวนจัด การให้ผู้คนทั้งหลายตั้งชุ่มบทูตั้งช่อดอกไม้และเครื่องเคารพต่อพระมหา菩萨แล์แก เ, เป็นผู้จัดการล่าตะเวนที่ช่างประกาศทำอย่างนั้นตลอดไป จนตลอดถึงวันเวลาที่พระมาหากษัตย์จะได้เสด็จแล้วบังเอิญวันนั้นปเิกระพุทธเสด็จมาจากเขาขันมูละที่ใก้สะอนนดานเขาสตะบริพันธ์เสด็จมาแล้วก็ บ, บิณฑบาตเดินตามถนน ปิตาอุปราชเห็นแล้วเอา้าบากตัวนี้มึงอยู่ป่าอยู่ดงมึงไม่รู้จักการรู้จักเวลาไม่รู้จักว่าวันนักคบเจลึกเป็นที่ลาดตะเวนดูไพ่ลาดะกรพระมหากษัตร หูไม่ให้คู่คน ใ, นใดเดินเพลิน่านตามหนทางถนนประการใดให้ตั้งใจอยู่ช่องประตูของไขมันตลอดไปเมืองพระไม่รู้เรื่องอะไรเจ็กอย่างเออไอหนี้กระโดดรงมาจากคอหลังช้างกระากเอาบาทของปเจตปเจตปจเตกะพุทธทุก ให้ถนนแตกละลายทันทีเพราะเป็นบาดดินพอเจก็เจพุทธเจ้าก็เหลียวเบื้องหน้าเอา้ามึงเหลียวเบื้องหน้าผู้ตรไหมมึงไม่รู้จักว่าผูเป็นอุปราชผู้ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองทุปกประกันแล้วดูแรงแล้วดูผลแล้วดูคู่คนทําการทํางานประรเรื่องอย่างไร มึงคนอยู่ป่าไม่รู้ภาษีภาษาและทุกอย่างมันเดินเกกะในถนนหนทางดีก็กูยังไม่ฆ่ามึงบอกนม่นช่มึงจะไปไปเนี่ยคนข้างหลายประดหว้เคารพต่อพระเจกเจ้าทาั้งหายเอาไอ้มึงมีงมาปิดเคารพทำไมคนผน ม, มีกี่เส้นในบนหัวของมันเป็นคนขอทานหาอยู่จริน ชูกบกรหวมันทำไมงัวตายจะอะไรนี่ไปไหวหาชะละไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่านั้นคนชะละก็กลัวยุกอยู่ไหวแลวก็กเงียบเลยกล้มหน้ามาทุกคนแต่แ้ก็ขึ้นบนขอช้างดำเนินลาตะเวนไปในพระนคร ไหวบนานเท่ากับเกิดความร้อนในร่างกายทุกระดับกระโดดตรงมากระวิ่งไปในประตูประตูหนึ่งกระโดดตรงน้อมสะน้ําก็ร้อนเป็นน้าร้อนเดือดขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาขหนีวิ่งไปประตูหน้าอีกต่อไปกระโดดลงน้ําก็ร้อนขึ้นมาอีกประตูที่สามประตูที่สี มดมาเลยที่พึ่งอาศัยวิ่งเข้ามาสะอยู่กลางพระนครกระโดดจงไปน้ํากระเดือดเป็นน้าร้อนขึ้นทันทีหนีวิ่งเข้าไปให้พระราชวางกระโดดโด้งสะนั้นน้ําก็ร้อนขึ้นมาทันทีกระโดดหนีขึ้นไปชีสะของตะแกยก็ร ะ, ะเบิดแตกขึ้นทันที เลยตายคาที่ไปตกนรกอยู่นุมนอนที่สุดจับกาได้ไม่รู้ฟ่าจนตลอดมาถึงศาสนาพุทธเจ้าของเราเป็นเปรตหัวยาวที่สุดไปลุกขึ้นบญหัวระเบิดปองพโมคลา กพลคิดสององลองมาจากเขาทิศกู ล, ลงมาบินส บ, บาดเห็นเปนรตตัวนั้นระเบิดแล้วนอนกับหัวยาวขึ้นอกีกไปกับลุกขึ้นระเบิดอกีกมันก็เอาอยู่อย่างนั่นตลอดพอมกขลาเหลียวเห็นก็ยิ้มทันทีพอระคิดก็เลย กาบคูลทูลถามออไม่ต้องถามที่นี่ฉันอาหารแล้วจึงก็ไปถามต่อหน้าองค์พุทธเจ้าพอจัดการฉันาหารบินธมบาตแล้วก็ไปกาคูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าอุปราชของเจ้าเมืองพราณี พระเจกก็มาบินธาบาทตอนบนเศ่้ามันห้ามคู่คนเดินเข็นผ่านตามถนนหนทางแล้วมักจับกระสาเขาบาดของพระเจกบุบลงดินทันทีตกลดาอีกด้วยหลายประการตกนรกมาและต้เงเนนมนานจนนับไม่ได้มาบัเดียวนี้เป็นเปรดที่หูยาวขึ้นไฟลุก ระเบิดวันแล้วก็สรุปลงไปตายก็เป็นหัวยาวขึ้นไปอีกเอาอยู่อย่างนี้ตลอดไปต่อไปนี้ไปจักกี้กับที่กันยังจะพวกมีบากกรรมของตนอันนี้พรล ว, วัลบุคคลไม่รู้จักการทำความเคารพวยัยยุทธุคุณอุทธุ เป็นคุณอันสูงเป็นวัยอันสูงไม่มีการรู้จักโะใดๆสุการณ์ใดๆธรร ม, มะครวาวตาปจเจขพุทธแปลว่าภูมีธรร ม, มะหมดอาสวะเป็นปจเจขพุทธสำเร็จโดยตนเองการบินดบาตเป็นจิต ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบินฑิยโลภโภสะนังนเนชยะจัสเตวยวะยาสีวังอุสโหกเรนโยหน้าที่การบิณฑบาตของปจิกพุทธะของพระอริยเจ้าทั้งหลายตาแก่นั้นเองหมอดูเขาว่ามันต้องการอาบน้ํากับเปลวความร้อน อันนี้เพันเลกว่าความขลบไม่มีภูที่สองกับพยาชาสตรูข้าพระวิดาของตนคือพระยาพินิษฐารจนตายด้วยอำนาจของมันเอาเมีดแหกพื้นตีนเอาน้ำเกลือใส่มาให้มันเดินจมกรมได้ให้มันตายทันที อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าในการลุกคนมินประบาทบิดามารดาอันเป็นคุณอันสูงที่สุดนอกจากพระพุทธเจ้าพระอาราหันต์และพ่อแม่การทำความเคารพวัยุทธโธผู้วัยสูงหนึ่งคุณวะอุทธโทแปลว่าผู้มีคุณอันสูงหนึ่ง ให้เราทุกคนจงคิดนึกฝึกผลตนของตนให้เป็นนิสัยเป็นปัจัจอันความอ่อนน้อมของตนอยู่ตลอดไปเราทุกคนอันเกิดมาในโลกจึงจะได้รับผลความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปเป็นนิดอันนี้เพิ่นเรียกว่ามนุษย์สัวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามนุษย์สัตาสาโนไม่รู้บุญบาปโลกนี้โลกนาาขอให้ข้าได้กินได้เล่นตามความพอใจก็เป็นพอมนุษย์ส สีต่ตร่างกายเป็นมนุษย์ให่ใจเป็นเปรีอกอันนั้นแปลว่าไม่มีขลุกใดใดทุกอย่างในโลกจัดการทำความพอใจจของทุกหลัการมนุษย์สภาวะร่างกายเป็นมนุษย์คนอ่อนน้อม ใจเปลี่นเทวดาจากมนุษย์ไปเป็นเทพระเจ้าทั้งหลายมนุษย์สะลโย่ใจหมดอาสวะความปวดหายไปหมดแล้วความโลภอยากได้หายไปหมดแล้วความยินดีพอใจอะไรทุกอย่างในโลกหายไปหมดแล้ว ความแข็งดีแข็งร้ายความอิจฉาเบียดอินใดๆทุกอย่างหายไปหมดแล้วในใจมีแต่ใจนี่รับความสุขและใสสะอาดตลอดติ่งจะหว่างสวย hey, รค์เทพเจ้าทั้งหลายผู้มีตาจิตเห็นแล้วใจบุคคลถึงนั้นเป็นขั้ยยบุคคลใสสะอาด มีรัศมีอยู่ตลอดสิ่งนี้เทพทั้งหลายช่องสาทุกการดนดีกราบไหวอยู่ตลอดกันไปอันนี้พูนเรียกว่าบุคคลผู้ฝึกผลทำความดีของตนกายยกรรมกายเป็นผลประโยชน์คือบุญกุศลและธรรมว่าจีกรรม ว่าจามธรมมะออนน้อมตลอดไม่มีการดิ้นประมาทใดๆมโนกรรมใจนึกน้อมยินดีอยู่เสมอธรรมะของบันจิติธรรมันดาวัตถุกรรมสิ่งของใดๆทุกอย่าง นินดีพอใจในการบูชาบุคคลมีคุณธรรมคุณธรรมอยู่อันนี้พระแกว่าบุคคลฝุกผลทำความเคารพนินงดีมีปัญญาความสลารักษาตนของตนเป็นบุตรตนแต่ว่าทำความดีอยูอ่เสมอตลอดไปบุคคลเช่นนี้มีความสุข เป็นมนุษย์และเป็นเทวดาคนเราทุกทุกคนในโลกอยากเข้าใจว่าตนของตนจะได้สำเร็จมาผลได้ง่ายๆนานแสนานานที่สุดยาวแสนยาวที่สุดที่การเกิดในโลกจึงจะชัยชนะสิ่งความเศร้ใดๆธรรมะจึงจะเบิกบานในใจของตน ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนในเวลายังมีชีวิตอยู่ในเวลาดนี้อย่าพังเถอะอย่าละเมอเฝันไปจริงที่มีชีิตอันจริงที่จริงว่าจริงกรรมวักกในจในให้เราทุกคนจงคิดอ่านใปัญญาจร ในตนของตอนทุกคนตลอดไปผลที่ฉุดตัวของเราสุดท้ายในการเกิดในโลกก็จะได้ไปถือมรสนิพางองค์ธรรมะตกแต่งเป็นรูปพธรรมนามพธรรมเป็นผมที่บริสุทธิ์เทืหมดเซลในการอุปทานยึดถือใจใหในโลก ผมโลภิยังมีความยินดีและพอใจในความสุขของตนในความเิ็นอยู่อันนั้นเรียกว่าอุปทานความยึดถือเมื่อถึงอายุก็ลงมาเกิดในมนุษย์สโลกอันนี้อีกต่อไปภายสั่งหน้านี่ให้เราญาติน้องทุกทิพอ่านจนของตนในชีวิตบัดเดี๋นี้ จึงจะเป็นผลความสุขของตนบุคคลมีความคิดอ่านเก้ไขอย่างเขาไม่ไปทางอื่นหนึ่งทางนรกสองทางเปรตทางผีทางสัตว์นิยมสามเขาไปบนทางที่เป็นมนุษย์กับป็นเัวดาอยู่จนตลอดกันไป ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนผมตนทุกคนเราทุกคนในเวลาบัดเดียวนี้เกิดมาหนึ่งไหว้ข้ารูปลางผิวพรรณน่ะอันสวยงามเป็นที่หลักให้พอใจของผู้คนสองให้ตัวของข้ามีทรัพย์สินเท่าของเงินทอง การกินอยู่ใช้ไปมาได้รับความสะดวกสามให้โจของเรามีปัญญาความคิดอ่านเก้ไถ่ทันสมัยในการเกิดมาในโลกสี้อยตัวเรานั่นเองฟกไฟต่อบัณฑิตหนักปลาเพิ่มเติมบารมีคือบุญกุศลในธรรมะจะได้เป็นหนทางไปสู่ มักผลนิพางอันนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีปัญญาหนึ่งบุคคลเกิดมาแล้วขอให้ข้าได้กินตามความพอใจสามขอให้ข้าได้เล่นตามความสนุกสนานพอใจต่อไปที่ขอโจของข้านี้อนุยืนยาวต่อไป ห่าคอยข้านั่นเองบุคคเใดใดให้เกินหลักให้พอใจกับข้าขหกคอยข้านี่มีชับชิเนโตอของชินอยู่เล่นตามความสนุกสนานเป็นนิสัยการต่อไปในโลกอันนี้เป็น่ลกความคิดของคนพานความคิดของคนหลงความคิดของคนมืด ความคิดของคนอันถานความคิดของบุคคลข่าตัวจาของให้ลงประชูนรกอันลึกตลอดไปปี น, นี้ให้เราทุกคนคิดนึกในชีวิตของตนทุกคนเราทุกคนเป็นมนุษย์บบเดียวนี้มันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่ว มันจะเป็นบอกเกิดแห่งความดีนี่ให้เราทุกคนความดีเขาว่าต้องไปสู่สวรรค์นักปลาดทางหลายความชั่วมันต้องไปสู่นรกแน่นอนทุกคนต่อไปนี่ให้เราทุกคนชุคทิอ่านที่อาจจะมาได้ยกขึ้นเบื้องต้นคารวจะนิวาโตจะสันตีโลกตันวิตตา ซาเล่นะี่ยมสาววาัรณอิต ม, มังกะละมุดต ม, มังอันนี้แปลว่าความรบอ่อนน้องตั้งใจฝึกฝนตนของตนตลอดไปเป็นคนผู้รู้จักขวะในการหนทางความเจริญขอให้ท่านญาติน้องทุกคนจงคิดอ่าน อายุวัฒโกชนวัฒคโกสิริวัฒคโกเ k ษวัฒคโก t a k วัฒคโกปณวัฒ h โกสุขวัฒคโกโหตุสัพพะายุวัฒคาชนวัฒคาสิริวัฒคาเจษวัฒคาภาวัฒคตาปณวัฒคาสุขวัฒคาโหตุสัพพะายุวนุสุขังตัลัง